ตอนที่สิเจยอมรับผิดต่อหน้าสาธารณชนท่นานใดนั้นเขาก็ลดหมัดลงพร้อมกับหัวเราะเบาเจ้าคือว่าที่ซื้อจื้อเฟยของข้าซื้อจื้อผู้นี้จะตัดใจฆ่าเจ้าลงได้อย่างไรรอยยิ้มเยินชาบนใบหน้าของเย่เยาพังทลายลงทันควันหลินเซิร์นรอบสังเกตเห็นและยกมุมปากขึ้นอย่างไม่ปิดบงังที่แท้จุดตายของนางอยู่ที่นี่เองเมื่อกุมจุดอ่อนของนางได้แล้วหลินเซิรนก็เริ่มทําตัวตามสบายพลางย้อนถามว่าแล้วเจ้าต้องการอย่างไร พอเขาถามเช่นนี้เย่เยาวกลับเป็นฝ่ายพูดไม่ออกนั่นสินางจะทําอะไรเสี่ยชิงจื่อได้บิดาของอีกฝ่ายคืออดีตเจ้ากรมกลาโหมที่ถูกสายรับฆ่าล้างตระกูลเรียกได้ว่าสละชีพเพื่อชาติเพื่อราษฎรฝ่าบาททรงให้ความเคารพจนสิ้นองค์คอยปกป้องต่อให้นางจะเกือบทําให้ท่านยาตายแต่นางก็ไม่ได้ตั้งใจใครจะทําอะไรนางได้เมื่อคิดถึงตรงนี้เย่เยาวก็โกรธจนอยากจะฆ่าคน แค่ทำเรื่องเลวร้ายด้วยความหวังดีก็สามารถลอยนวนผลพ้นผิดโดยไม่ต้องรับโทษใดๆเลยอย่างนั้นหรือเพราะอะไรกันเพียงพระนางคือเสี้ยชิงจีอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นริมฝีปากของนางสันด ร, ริกด้วยความโกรธกล้ามเนื้อแก้มกระตุกหลินเซินก็เกิดความรู้สึกไม่ยินยอมขึ้นมาวูบหนึ่งหลังจากคุ่นคิดเขาก็เป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนเอาอย่างนี้จนสิ้นอองขอรับรองว่าจะหาหมอที่เก่งกว่าเดิมมาเพื่อให้หูหญินเท่าและเหล่ากอกลับมาแข็งแรงโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ตัวการใหญ่คือเท่าแก่ร้านเจินเป่าใจที่เห็นแก่ได้ซื้อจื่อผู้นี้จะลากตัวเขามาลงโทษตามกฎหมายให้ได้สุดท้ายชิงจือโขอกศรีสะริน้ำชาขอขอมาเหล่ากัวกงและหูหญินเท่าเจ้าพอใจหรือไม่ทางด้านเย่ยหูเสียนั้นพอใจกับการตัดสินใจนี้พี่ชายและพี่สะพายต่างพากันดึงชายเสื้อของเย่เยาเบาเป็นสัญญาณว่าพอแค่นี้เถิดทว่าเย่เยากลับรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่อกจนอึดอัดไปหมดเสียชิงจือเกือบจะฆ่าท่านย่าแต่กลับใช้คําว่าไม่รู้ เพียงคำเดียวมาปัดความรับผิดชอบไปง่ายๆเช่นนี้หรือแต่ต่อให้ไปร้องเรียนต่อหน้าพระพักผลลับที่ได้ก็คงไม่ดีไปกว่านี้คนที่เคยทำร้ายนางในชาติก่อนชาตินี้ยังคงก่อเรื่องชั่วร้ายและยืนอยู่ตรงหน้านางแท้ๆแต่นางปรับทำอะไรพวกเขาไม่ได้เลยยี่ยาะแค้นจนแทบจะบดกรามให้แตกนั่งหลับตาลงอย่างแรงพยายามสะกดกลั้นอารมณ์อัดอั้นตันใจนั้นไว หนทางยิงอีกยาวไกลานางต้องคำนึงถึงคนในจวนกัวกงทั้งหมดจะวู่วามไม่ได้และจะเดินซ้ำรอยเดิมที่ต้องสูญเสียครอบครัวจนพินาศเหมือนชาติที่แล้วไม่ได้อีกลินเซนมองดูนางสูดลมหายใจเข้าลึกๆลำคอหงปรากฏเส้นเลือดจากการอดทนอดกลัน้นเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งนางก็กลับมาสงบนิ่งแล้วข้ายังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งลินเซนเจ้ว่ามาเยี่ยยเลิกคิ้วขึ้นอย่างเฉียบคมนิ้วมือชี้ไปที่เสี้ยชิงจือ ถ้าต้องการให้นางโขกสีสยมรับผิดต่อหน้าท่านปู่ท่านย่าท่ามกลางสาธารณชนให้คนทั้งใต้ล่าได้รับรู้ว่านางได้ทำเรื่องโงเ่เขลาอะไรลงไปใบหน้าเล็กๆของเซียชิงจือซีเผื่อดลงทันทีแต่ลินเซินกลับรับคำแทนหน้าไปแล้วว่าตกลงเซียชิงจือหลอนหลานรีบดึงชายเสื้อหวัางเฟย์พลางอ้อนวอนท่นปาเรื่องนี้แล้ววันหน้าข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน หวังเฟยเองก็ลำบากใจเสี้ยชิงจือใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าพลางร้องให้เสือึกเสือื่นปกติเพียงแค่นางร้องให้หลิงเซินจะยอมตามใจนางทุกอย่างทว่าครั้งนี้แผนการของนางกลับพลาดเป้าหลิงเซินนอกจากจะไม่ช่วยพูดแล้วยังดุด้วยสีหน้าเย็นชาอีกว่าอย่างไรเสียก็เป็นเพราะความขผาของเจ้าที่เกือบจะค่าชีวิตทูหญินเท่ากาันขกสีรษ ย, ยอมรับผิดนั้นสมควรแล้วอีกอย่างลูกประคําหอมประหลาดจากซีวิธทำร้ายคนมาไม่น้อยสมควรให้คนรับรู้เรื่องนี้มากขึ้นเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่ออี เซี่ยชิงจือเบิกตากว้างมองหลินเซินอย่างตกตะลึงค่าจนสิ้นออกรักษาคำพูดพรุ่งนี้จะจัดงานเลี้ยงที่หอทิงสวี๋ชิงจือจะรินน้ำชาโคกสีสยอมรับผิดต่อหน้าเหล่ากัวกงและหูหญินเท่านับว่าเป็นเรื่องยากที่เขาจะไม่ปกป้องเซี่ยชิงจืออย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียทีเย่เยารู้สึกดีขึ้นไม่น้อยตกลงเรื่องจึงถูกกำหนดลงเช่นนี้เซี่ยชิงจือซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องเบิกตากว้างอย่างตกใจ เขาไม่เปิดโอกาสให้นางได้ปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยลินเซินรักษาคำพูดจริงๆงานเลี้ยงขอขมานี้เป็นที่รู้กันไปทั่วทั้งเมืองหลวงผู้คนที่มาเกือบจะล้นหอทิงสเสวียแม้แต่บนถนนด้านนอกก็เต็มไปด้วยผู้คนที่มารอดูเหตุการณ์เท่าแก่ร้านเจิญเป่าใจถูกลินเซิรนจับมัดห้าประการคุกเข่าอยู่กลางถงหอทิ้งสเสวียกลายเป็นที่ทาการชั่วคราวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ลินเซินรับหน้าที่เป็นผู้พิจารณาคดีสิ้นอองและคนในจวนอองต่างไม่อยากปรากฏตัวแต่ครอบครัวของเย่เ ย, ยามืกันครบทุกคนเท่าแก่สารภาพความจริงว่าเพื่อต้องการเงินเขาจึงจงใจปิดบังผลกระทบของลูกประคำหอมประหลาดจากซีวีแล้วขายให้เซี่ยชิงจือเมื่อเรื่องราวถูกตัดสินต่อหน้าฝูงชนจากนั้นก็ถึงคราวที่เซี่ยชิงจือต้องรินน้ำชาโขกศีรษะและยอมรับผิดต่อท่านปู่ท่านยา่าเสียงโห่ร้องยินดีดังไปทั่วทั้งโถงเย่เยาเองก็รู้สึกเหมือนได้ระบายความอัดอัน้นใจออกมาเสียที หลินเซินเดินเข้ามาหานางใบหน้าหล่อเหลาที่มองลงมาเจือไปด้วยความหยอกเย้าพลางถามว่าพอใจหรือไม่เยี่ยยอม e m b e ปากเบือนหน้านีพลางค้นคำสองคาออกมาพอใจนางไม่ได้แสดงท่าทีเครียดแค้นชิงชังเขาเหมือนก่อนหน้านี้หลิงเซินเองก็พอใจมากเช่นกันก็ใช่สิเขาไม่ได้ทําอะไรนางเสียหน่อยทว่าเสียชิงจือกลับจดจําเรื่องนี้ไว้ในใจหากไม่มีเยี่ยย ว, วันนี้นางก็ไม่ต้องถูกตําหนิและถูกชี้หน้าด่าเช่นนี้ เกือบทุกคนต่างพากันด่า น, นางว่าเป็นตัวซวยแต่นางเพียงแค่อยากให้หูหญินเท่าดีใจนางไม่ได้ตั้งใจเสียหน่อยทําไมทุกคนต้องโทษนางด้วยนางไม่ได้ผิดสักหน่อยเป็นเพราะเยี่ยยาวทั้งที่วันนั้นที่ร้านเจริญเป่าใจเยี่ยยาวเห็นรูปประคําหอมประหลาดจากซีวีก็น่าจะรู้แล้วว่ามีปัญหาแต่กลับไม่พูดออกมาจงใจทําให้เรื่องบานปลายเพื่อให้นางถูกทุกคนรุมประนามแม้แต่พี่เซินก็ยังเข้าข้างเยี่ยยาไม่เข้าข้างนางอีกต่อไป ไม่ได้การนางต้องหาทางแสดงตัวให้ดีขึ้นต่อหน้าพี่เซินเพื่อทวงคืนหัวใจของเขามาให้ได้เสี้ยชิงจือแอบให้กำลังใจตัวเองในใจผู้อาวุโสทั้งสองไม่ชอบความวุ่นวายจึงกลับไปก่อนแล้วโดยมีบิดาพี่ชายและพี่สะพายคอยติดตามไปส่งเดิมทียี่เยาตั้งใจจะกลับไปพร้อมกันแต่หลิงเซินกลับตามต่แยไม่เลิกพอถึงหน้าประตูรถม้าของที่สะพายและคนอื่นๆก็ออกไปเสียแล้วหลินเซินทำสำเร็จเสี้ยจือผู้นี้จะไปส่งเจ้าเอง เยี่ยวยาหลับตาลงปฏิเสธว่าไม่ต้องเจียนเจียไปลู่เตรียมเกี้ยวเยี่ยวยาวใช้แผ่นหลังตัดบทคำพูดที่เหลือของหลินเซินเขาไม่ยอมให้นางจงใจทําตัวห่างเหินเด็ดขาดหลินเซินรีตามไปส่วนเซี่ยชิงจือที่เพิ่งตามมาถึงด้านหลังยังไม่ทันได้อ้าปากพูดดวงตาก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม้เขาจะตามเย่ยวยาทันแต่กลับมีคนชิงตัดหน้าไปก่อนก้าหนึ่งยาว เท้าของเย่ยเยาชงักลงนางหันกลับไปเห็นหลินเซินที่ตา ม, มาและยังมีชูชื้อด้วยชูชื้อเดินผ่านข้างกายหลินเซินไปและชิงตัดหน้าเขาไปยืนตรงหน้าเยี่ยเยาหลินเซินขมวดคิ้วจ้องขเขม็งซื้อจื่อผู้สูงสัตว์กลับถูกพ่อค้าสามัญชนเมินเฉยอย่างนั้นหรือต้องรู้ไว้ด้วยว่าเขาคือว่าที่สามีที่ถูกต้องตามํานองคลองธรรมของเยี่ยเยานะถ้าว่าเยี่ยเยาและชูชื้อกลับเมินเขาจริงๆรชูชือ้อเยี่ยเยาชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนคําเรียกกะทันหัน คุณชายชูชูชื้อสังเกตเห็นความหังเหินที่นางจงใจสร้างขึ้นได้อย่างรวดเร็วเขาจึงยิ้มออกมานางจงใจจริงๆด้วยการทำตัวหั่งเหินเช่นนี้ก็เพื่อตัวเขานางไม่อยากให้เขาเสียใจเกินไปและไม่อยากให้เขาไปล่วงเกินซื่อจือเรื่องพวกนี้ชูชื้อไม่กลัวเลยสักนิดต่อหน้าหลินเซินชูชื้อกุมมือเย่เยวไว้อย่างรักใคร่ได้ยินว่าเจ้าเจอคนลอบสังหารบาดเจ็ตรงไหนหรือไม่ หัวใจของเยี่ยยาวสั่นไหวที่แท้เขาก็เป็นห่วงนางหากไม่มีหลิงเซินเข้ามาแทรกแซงเขาคงเป็นคนดีที่เหมาะแก่การฝากชีวิตไว้ด้วยมากเพียงใดน่าเสียดายนักเยี่ยยาวปลายตามองหลิงเซินที่อยู่ข้างๆไปด้วยหลินเซินเลิกคิว้วอะไรกันเขายังไม่ทันได้ว่าเรื่องที่นางมาดึงมือถือแขนกับชูฉือต่อหน้าเขาต่นางกลับมารำคาญที่เขาขวางหูขวางตาเสียอย่างนั้นทว่าเยี่ยยาวกลับเป็นฝ่ายดึงมือออกไปเอง ลินเซอร์เลิกคิวอีกครั้งมุมปากยกขึ้นเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็นน่าสนใจดีแท้